จากพระผู้รู้ตอนที่สิบคาถามแรก8กรกฎาคมพุทธศักราช2542สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชในปัจจุบันถามอยากปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่อาจปลีกเวลารู้สึกเป็นปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองเหลือเกินจะแก้ไขอย่างไรดีตอบ พวกเรานักปฏิบัติธรรมเคยรู้สึกกันบ้างไหมว่าบางครั้งเราอยากหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่กำลังประสบอยู่จากมหาวิทยาลัยจากงานจากครอบครัวจากบ้านจากถนนหนทางที่ต้องผ่านจำเจ อ, อยู่ทุกวันไม่ว่าผู้คนหรือสภาพแวดล้อมล้วนแต่น่าเบื่อหน่ายล้วนแต่ไม่ดีไม่เหมาะกับเราผู้ปฏิบัติธรรมสักอย่างเดียวจิตใจก็น้อมไปในทางที่อยากจะหามุมสงบสักแห่งหนึ่ง อยู่กับตัวเองเงียบๆบางคนถึงกับอยากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปบวชเพื่อปฏิบัตธรรมความรู้สึกอย่างนี้ถ้านานๆเกิดขึ้นสักครั้งก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นประจำความเบื่อหน่ายนั่นแหละจะกัดกร่อนจิตใจของเราเกิดความเซ็งความหดหู่ท้อแท้มีโทสะติดอยู่ที่ปลายจมูกสิ่งเหล่านี้คือการจมทุกข์อยู่ในปัจจุบันโดยฝันหวานไปถึงอนาคต นี้เป็นโรคทางใจที่จำเป็นต้องรีบเยียวยาแก้ไขแท้จริงการปฏิบัติธรรมนั้นไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกบุคคลและเวลานักปฏิบัติไม่ควรเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมแต่ควรฝึกฝนตนเองให้สามารถปฏิบัติธรรมได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาจิตใจของตนเองเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่สงวนกิเลสเอาไว้ก่อนแล้วพยายามแก้ไขที่คนอื่นสิ่งอื่นหรือผัดไปต่อสู้กับกิเลสในเวลาอื่นถ้าเราเป็นทุกเดี๋ยวนี้ก็ต้องลงมือหาทางออกจากทุกเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกล่าวโทษว่าความทุกมาจากคนนั้นสิ่งนั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วถ้าจิตของเรานี้ไม่ส่งออกไปหาทุกมาใส่ตัวความทุกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย แทนที่จะเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะเพ่งโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่นมาภาคเพียรศึกษากิเลสในจิตใจของเราเองดีกว่าเพื่อเราจะพ้นทุกข์ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แม้สิ่งแวดล้อมจะเลวร้ายประการใดก็ตามไม่มีใครทําให้เราเป็นทุกข์ได้หรอกนอกจากเราทําของเราเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็รับผลอันแสบร้อนนั้นด้วยตนเองอย่างยุติธรรมที่สุดแล้ว คำถามที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2542สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปาโมโชในปัจจุบันถามยิ่งเนี้ยแปลว่าไม่จำเป็นต้องออกนอกสถานที่เลยใช่ไหมตอบผมไม่ได้หมายความว่าการปลีกตัวออกไปทำความเพียรเป็นสิ่งไม่ดีถ้ามีโอกาส ก, ก็ควรทำตามความเหมาะสมครับ แต่ต้องการสื่อความหมายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเช่นสถานที่ไม่เหมาะบุคคลแวดล้อมไม่เหมาะเป็นต้นและต้องการสื่อว่าการแก้ทุกข์ทางใจต้องแก้ที่ตนเองถ้าคิดจะแก้ที่คนอื่นอันนั้นผิดแล้วครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาต้องแก้ที่สาเหตุของมัน เช่นขายของไม่ได้ต้องตรวจสอบว่าทำไมลูกค้าจึงไม่ซื้อของเราจะนำธรรมะมาใช้ก็ต้องรู้ชัดเสียก่อนว่าจะใช้ในเรื่องใดถ้าจะแก้ปัญหาความทุกข์ในจิตใจแล้วก็ใช้ธรรมะได้ครับแต่ถ้าจะแก้ปัญหา Y2K โดยอยู่นิ่งเฉยแล้วบอกว่าตนเองมีอุเบกขาอันนั้นผิดแล้วครับ บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่10อ่านโดยโจโฉหมายเหตุผู้อ่าน Y2K คือปัญหาของคอมพิวเตอร์ในปีคริสตศักราช2000เป็นปัญหาด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบุ ป, ปีด้วยเลข2ตำแหน่งหลังของปีมีผลต่อระบบและโปรแกรมที่ต้องใช้วันที่ในการคำนวณเปรียบเทียบจัดเรียงลำดับเมื่อก้าวข้ามเวลาจาก1999ไปสู่2000 แต่ระบบจะรับรู้ในรูปเลขสองหลักคือ99ไปสู่ศูนย์ศูนย์โดยศูนย์ศูนนี้ระบบไม่รู้ว่าเป็นปี2000ตรงนี้เองทำให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ผิดพลาดได้ที่มา www.diw.go.th เว ท, ที่เป็นีทีเ ควรคิดดูเหมือนไรผู้อาจยังรู้สสียแล้วแม่พบปราดผู้แพ้ปัญญาเส้นเดืองรองได้เรียนลองไตรตรอง